ต้องอบทบัตรทุกกฎพิกสูไว้หนวดเขายาวปรับเอาบททุกกฎอย่างนี้อันนี้คือไม่มีนะไม่มีเราไม่ได้สวดเมื่อกี้เนะี่ยไม่ได้มาในพระปฏิโมกข์อันนี้แปลว่ามาศีลมาในอภิษมาจารศีล น, นอกพระปฏิโมกข์แต่ถึงอย่างไงพวกเราก็ต้องนำมาประพฤติธปฏิบัติเพราะมันเป็นกฎระเบียบการอยู่การเป็นอยู่ของพระสงฆ์สมมาณสารูปควรปฏิบัติ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 พอเทศนาให้ฟังแล้วก็เกิดความเคารพนับถือขอบวชนะพระพุทธองค์ก็ให้บวชนะเป็นบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาลูกเศรษฐีนะพอจะได้กระพรบได้ฟังธรรมเทศนาของพระเจ้าจกเออัเดินจงกรมเลยเดินจงกรมพอเดินเดินเดินเดินออจนฝ่าเท้าแตกไม่ใช่เดินธรรมดานะเดินจงกรมเดินจนฝ่าเท้าแตกฝ่าเท้าทะลออุจากนั้นก็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 แต่อย่างน้อยต้องเดินมากนะเพราะว่าการเดินจงกรมของเราเนี่ยถ้าว่ า, เ, าเดินด้วยนั่งด้วยอ า, อาริยบทอริยบทสองเนะ่เดินกับนั่งแต่หลวงพ่อเนี่ยเคยเดินนะพระลูกพรหลานนะหลวงพ่อเดินทั้งคืนเดินตั้งแต่หัวค่ำจนสว่างหลวงพ่อเคยเดินหลวงพ่อจึงมั่นใจโอ้เดินฝ่าเท้าแตกนแน่นอน หลวงพ่อเชื่อเลยเจ้เนี่ยแน่ต้องต้องเชื่อในตนเองนะอลูกหลานนะเดินจงกรมเท้าแตกนะ่ยแตกแน่นอนอที่หลวงพ่อก็เดินจงกรมมันหนักใช่ไหมเดินจงกรมสทีแรกก็ใส่รองเท้าสมัยเป็นเนนหารองเท้าใหญ่อีกต่างหากเดินตีนเปล่าเลยกระทางก็ไม่มีหินนะทางเป็นดินเรียบเยบนี่ยนะอดินเหนียวดินทรายผสมเหนียวนะ่ะ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 นี่แหละอันนี้ก็คือประสบประการที่หลวงพ่อได้เดินจงกรมอ่านี่แหละให้ลูกหลานพระลูกหลานทั้งหลายเข้ามาบวชในคราวนี้ครั้งนี้ก็เดินจงกรมอ่อจะก น, กนกันนั่งภาวนาเอานั่งภาวนาเดินจงกรมแต่พระในครั้งพุทธพุทธพ่อพุทธเจ้ามีไหมอย่างพระจักคูบานในพรรษาเนี่ยท่านตั้งจิตอธิษฐานนะตั้งจิตอธิษฐานข้าพเจ้าจะไม่นอน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 จะให้มันสงบมันก็สงบนิ่งจิตไม่ปุง่งไม่ฟุง้งไม่สานนี่แหละถ้าว่าเป็นอย่างนั้นอดเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าวันไหนคราวไหนอดเข้าไปแล้วเน่ยมันพยองพองตัวมันไม่ยอมจิตออกนอกตูกนอกทางปิดจิตปุง่งฟุ้งสานนั้นเรากลับมาชั้นอาหารก่อนคล้ายๆว่ากลับมาแ ล, ล้วก็ปล่อยเชือกมันยาวๆไว้ขอลามไว้ก่อนจะไปจะไปบังคับมัน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 แต่แกจะตายไม่เป็นอย่างไยทำไมคิดมากปรุงฟุ้งไปทำไมนี่ขณะนี้เรามาบวชเรามาภาวนา เ, เรามาบาเพ็ญเรื่องจิตภาวนาตามหลักธรรมคำสอนของหลักตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตามธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรามาภาวนา เ, เราไม่ได้มาคิดอย่างอื่นนะเราไม่ทำอย่างอื่นนะสามเตือนนะงดทุกอย่างซะก่อนเราจะไม่คิด เราจะไม่คิดทำมาค้าขายเราจะไม่คิดอะไรทั้งหมดเราจะคิดจะดูใจของตัวเองจะปรับปรุงกายใจของตัวเองให้อยู่ในสมาธิให้อยู่ในหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะ เ, เท่านั้นในสามเดือนนีอ้อยากจะให้พาลูกพาหลานมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอย่างนั้นนะในเมื่อเราเอาชนะเรือว่าชาระใจเรื่องว่าธรรม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 ตอนนี้ไปกระสวดท้ายปฏิโมกขัแล้วท่นนี้นค่อยเลือกย้ายยยกย้ายกันนะ